โมโหสดดูดูเป็นหน้าขราดชื่ออะไรยังเป็นขนาเป็นพญ า, านาคก็ยังถึงโมโหสดก็ยังรักษาสิ่งที่โมโหมันเป็นสํานึกคือเวทีดวงนั้นเป็นธรรมชาติที่รู้ขึ้นมาเป็นธรรมชาติที่เป็นจนเป็นนิสัยแล้วเป็นโมนโหสดเล่นกันทั้งวันเหมือนกระเล่นคนมีชีวิตเรพราะมีสามีภรรยากเ็เล่นดนตรีเล่นความราเล่นบันเทิงเหมือ น, นโลกเล่นกันแต่ถึงเวลามันโมโหสถ พระทธศาสนเป็นศาสย์ทังบริวารทั้งหมดนวดการเล่นทั้งหมดใครก็เชื่อพระองค์พระงพระอมีวิญญาติการเนี่ยทั้งดเทั้งนครนครชินโบรสดมาไม่เห็นมีพระทาสพรองค์หนึ่งนั่นแหละพระชินุโบรสดเขาไเคยนวดลไม่เคยละกุจะเต็มที่กุศลสมบูรณอะไรสองีงไข่แข่นกัอะไรมากับรุ่นสทธากนี้บันมาแสบแล้วแน่นอนที่จะัดทะลุ ยังก่อนนะมีสาาบทีกับทีการเกิดแล้วเกิดแล้วโอ้โหไปเรียนเลยพระพุทธองค์ปรารถนาใหญ่เห็นรื้อจัดขนัตว์แต่การทําก็ต่างจากคนธรรมดาทําอะไรก็ใหญ่เกินคนธรรมดาบุญญาธิการก็เกินคนธรรมดาเมื่อมันเกิดก็เกินคนธรรมดาเกิดแล้วไปเป็นอะไรครั้งเนี่ยเมื่อเมื่อเกิดแล้วไปเกินแผ่นดินบั่นไหวเทวดาก็โปย ทอน้ําเป็นน้ Después, Thailand, ําร้อนอะไรบุญญาธิการทั้งหมดใครใครอยากได้บุญจากเหมือนพระองค์ก็สร้างแบบพระองค์ไอ้ปุญจงบุญก็มันก็พูดได้แต่ว่ามันมันมีน้าเชื่อมมนหนึ่งถ้าเขมีศรัทธาเขามี่ะมีความเชื่อมั่นมันเชื่อมมันเชื่อมมันที่ทุกถึงบุญมันอยากได้บุญมันก็คิดหาตัวสิ่งที่เป็นบุญ และมีควมเชื่อความเรื่องสายคบาอาจารย์ที่มันศรัทธาเป็นกําลังหนึ่งเป็นสมอเมื่อได้เห็นครบาอาจารย์ที่ถูกติดอิทธิ์สายมีคนเชื่อความเชื่อสายน้อมลงไปมีเงินเท่าไหร่ให้เตี้ยไปเลยเอไม่ใช่ธรรมดาที้ศรัทธานี่ยถึงๆเป็นกําลังมือเสมอศรัทธาพระละหสมอตามหลักวิยัาณคนไม่มีศรัทธาฟังก็ฟังผ่านไปทําก็ทําไปทีแรกก็เป็นนั่นน่ะฟังูเพื่อนไปบ้างพอเป็นที่ดีไปบ้าง เพราะจิตตอ น, นั้นยังไม่กล้าเข้าไปเลยไกลยังไกลมากแต่จะพัดตกที่ไหนไม่รู้ก็เหมือนไอ้เช่นบอกว่าว่ามันเชืยกมันขาดแล้วบนอากาศมันจะไปที่ไหนไม่รู้อันนี้นอันนี้ผู้มีศรัทธามีความเชื่อมั่นนะั้นคุณพระรัตนไกรัยนี้แน่นอนไปสวรรค์ลูกเย็บเพราะอำนาจของมีนาอันมมนั้นประคับประคองอยู่อันนี้มันไม่มีอะไรประคับประคองเพราะจะกล้าเขาความดีก็ไม่อยากทํา อำ น, น้าจมันจะลุยอาตั้งแต่เรื่องความเดือดร้อนมาเขาลุนตัวเองทั้งวันทั้งวันทั้งวันแต่มันมก็ไม่ได้ดูถูกใครก็เป็นมาผ่านมาเหมือนกันเพราะอํานาจเป็นนั่นมันแรงอํานาจเป็นนั้นมันปกปิดจะไปว่าใครไม่ได้ของวันนี้มีมาทุกคนทุกคนพระพุทธเจ้ารี่สาวกผู้รู้จริงแล้วคนํามาแสดงแบบไม่ไม่ดูถูกใครพูดตามความจริงความจริงความอริงไปหมดใครรู้เป็นมาเหมือนกันถึงวนี้เพราะมีที่เด่ความ ทุกความลํำบากความทรมานไปมาด้วยกันเพราะไม่รู้จักบุญเมื่อรู้แล้วชัดเจนความมีดูสงสารมากมาใส่กองยกตัวอย่างพระแม่พุทธาเราควาไม่ดูนั้นเป็นดูเราจะพูดเหมือนท่านไม่นานพูดคําเดียวก็มีเหมือนกันที่ท่านนดูสงสารจริงๆเพราะด้วิพูดออกมาทางวาจาก็เป็นสมาวาจาเป็นดูสงสารจริงๆสบัดหนักเท่าไหร่พอจะสงข้อะได้สงเคราะพ่อเห็นโทษทอคนที่ไม่มีบุญ เห็นโทความที่ไม่มีบุญมันเดือดร้อนวุ่นบาจะเกิดที่ไหนแดนใดเป็นสัตว์ก็เดือดร้อนวุ่นวายไปที่ไหนมัแต่ได้สร้างแต่ความทุกข์ให้ตัวเองท่านจึงสงสารเลยดูขอให้มีบุญสักหน่อยมีท่านเป็นผู้เห็นบุญจริงผู้มีธรรมจริงการแนะนำสั่งสอนการให้การอะไรไม่มีเครื่องตอบแทนใดๆทั้งหมดนอกจากมุ่งอยากใคนนั้นคนนั้นได้รับความบุญ่ญภายในชีวิตของเขาได้รับความสบายใจ ในการอยู่การกินพวกเขาไม่ได้มุ่อะไรมีผิดกันมากมายนะถ้าพระเจ้ากับบุตรชนให้ก็ผิดกันให้ด้วยเงินก็ผิดกันคนหนึ่งให้มีความหวังคนหนึ่งให้ด้วยความมดูสงสารอยากให้มีความสุขนะยกตัวง่ายคนเป็นดูคนที่มีความดูสงสารสัตว์ท่านเอกสารนั่งให้มันแล้วอยากให้มันกินอยากให้มีความสุขไม่มุเวลาจะมาหลอกคนมีนตสยเมตตาเป็นอย่างนั้นมีประจําเป็นอย่างนั้น โหมันออกยากหนูบอกนั้นเ่ะทาให้มันน้อยน้อยจะก่อนดีกว่าไม่ทำหนูเพื่อนไปฟังดูซ้ำเนียเดินทางไปทั้งวันทั้งมันไปมีร่มไม้เดี๋ยวพักผ่อนบางทีมันแดดทั้งวันทั้งวันไม่มีบุญเป็นเครื่องอ่ะเหรอนีอะไรบุญเป็นที่เลี้ยงเลยตายเลยแม่ยาป็นขนาดไหนเขาก็ไม่มองหน้าเขาไม่ยืนสงสารเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะอํานาจที่อปกติกําบังคนอย่าเห็นแคที่จะไปยืนสงสารตัด ต่อยจะตามแค่ขาดำเลยมุนไม่มีไม่มียักของมันอันนั้นแหละพาดไอ้อภัพนี้แต่จะดูถูกดูแทนคนอื่นนี้แต่คิดจะโทษคนอื่นนี้แต่คิดจะเอาเปรียบประลคนอื่นสิ่งนั้นเอาเปรียบปละละตัวเองยกโทษคนอื่นก็เท่ากับยกโทษตัวเองมันไม่ใช่เรื่องของใครเรื่องของตัวเองทั้งหมดทั้งหมดที่มิ่งบอกแก้ที่ตัวเองเป็นต้นอยู่ หรือแค่ธรรมดาธรรมดาโอ้ศาสนาเนี่ยโธ่ไปคิดดูซินั่งไปคิดไปอ่านอ้านอนคิดไปคิดดูซิผมบอกว่ามีที่แย้งวันนี้มีคนหนึ่งมาถามปัญหามาจากพิรกนพลังตอนให้ตอนเสร็จเขาบอกว่าจะถามปัญหาเรื่องศาสนาสงสัยมากมากเกินเขาว่าสงสัยอะไรเรื่องศาสนาไม่มีอันเปไปที่จะสงสัยเรื่องศาสนาก้อนนั่งเนี่ยก้อนศาสนาหมดระว่างนี้นะ เราที like, jar, times, iana, ่ไปฟังเอายกวย่างทเดียนนะไอ้โกหกกะาสารมาัวอ้าวถ้าตัวไม่มีตัวมเกินี่ทีจับที่ใจทำไมัวก็ไม่ดีเราบอกว่าไม่ดีไอ้โกหกผู้กุทธจาเนี่ยตัวศาสนานะลองใค้โกหกจรงดิใครรู้เลยแฉ่แแฉ่เขาไม่เชื่อใจแม้จะมีเงินเขาก็ยังไม่ให้เขาเกลียดอย่าว่าจะมนุษย์เลยใจมันจะทงรู้เราบอกว่านั่นสามทีมันไม่ให้มันสือย่างแล้วมันบอกโอ้มนุษย์อี โกหกมันเป็นที่น้อยยันด้วยถ้าเป็นแบบนี้ี่โกหกเสร็จมันไม่มาอีกแล้วเนี่ยเราบอกว่านี้ศาสนาไปองสงสัยตรงไหนแค่คําเดียวเนี่ยจิ้มหมดเลยเป็นคุณข้ามหาสานคือคนไม่โกหกเป็นสมบัติที่จะเป็นที่เนียกตัวเองไปที่เหนือจะไหนคนนับหน้าถือตาเขาจะอยู่สงสารเพ้าไม่โกหกคนที่ซื่อสัตย์นะใครไม่ค่อยดีหน้าถึงนี้ก็มีใครช่วยเหลือขอราะหน้าดตรงนี้ แต่ที่แรกมันน้อยนานไปมากขึ้นมาขึ้นวิ่งมีเกียร์วิ่งมีรอดขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ไปผู้เจอาคยังไม่ยังกัรจะถามว่านะํามอะไรเราพูดในขนาดนี้เข้าใจหรอเขาบอกว่าตายแล้วไปไหนเราก็ตอบว่ายังไม่ตายจะถามทอะไรวกนี้กันเลยหัวใจมันไม่น่ามาถามเราเลยไม่ตายจะถามห้าอะไรอย่าง้ฮะ่นไปพบปะคอทองมันก็เหลือชิแล้วแหละ แล้วบอกว่ายังไม่ตายจะมาหาถามนว่าแหมมนุษย์ัเหนือเกินะว่าที้มนุษย์มันโหดไอ้ยืนคนเป็นจั๋วันมาที่มาถามยังไม่ตายที่ถามหาอะไรบอกว่าหาอยู่นิที่อ่นนหมายั่นเงิที่ิที่ดีมหาขึ้นมาที่มมีความสุขที่ตายแล้วไม่ต้องไปถามมันที่อนี้ยไม่ตายไปถามหาอะไรว่าอืเี่ยอมันจะเียคนมันนหที่แตก คิดสิ่งที่ม um, uh, uh, mm ีคนคิดคิดออกไปนอกกว่านอกตัวเองถ้า oh anyway? ั้องคิดตัวเองยังไม่ยังไม่ตายกคิดไปเรื่อยตายไปแล้วยิ่งยังคิดเรื่องที่มันถึงคิดมาสิ่งที่ไม่เป็ประโยชน์ก็คิดมามันไม่สอนตัวเองเลยสิ่งที่ตัวงไม่เจอทำไมไม่คิดชีวิตนี้เราจะไปยังไงทุกวันนี้อ่ะคนทุกคนจะแก้ปัญหาในครอบครัวอะไยังไงหาองินหาซื้อขยันมันเพียนที่แก้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะหาคิดอะไรยังไม่ตาย อิ่มนังตำาที่เอายาเสหรก้อนน้งินไปกระเป๋าสิไปเล่นที่อเฟินท่ชาิทางนี่ก็ต้องกระบอกอบัยวุิอย่าไปเลนนทางตัดน่ะนักเงเ่นการพนนักเลนตุลาท่านก็บอกหดที่สิ่งที่อาพัทั้งหมดทั้งหมดทั้งจัดไม่หมดรไปลองดูสิทีถ้าเกิดบรีจาเนี้อบัยวุฒเป็นเต็มเมืองอุดเป็นกรุงเทพเคมหมดในโลกนี้เล่นเป็นหุ่งหุงหุงอะไรโลกวนรอนขึ้นจนดาวขังชนดาวพังหักอยู่กาลังมันโลหะแห่งแ้ว อื่นยังไม่รู้เลยมีเราในฟ้าอยู่มีตัวนฟ้เราไปคิดกันลองดูสิโอ้มาถามล้วก็เอาเลยดียังไม oh, ่ตายมาถามมาอะไรเราวะหัวตึงเลยเนี่คนคุกคิดสิ่งที Les ่ไม่ควคิดน้ำหรแต่เราบวชมานานเพื่องนี่ตะกอนเราไ่ด้ทั้งานที่เราเชื่อแล้วไม่ถามว่าร่องบุญเ่องบากับพ่อแม่ผูู้บาอาจารย์เราเลย ตายถึงตายเถื <Hey. S 1> ่อนเไม่เคยคิดเลยคนทุ้งตะตเก่ง่งนี่เ่ในทางที่ไม่ดีนั่นแหละไม่ใช่เก่งอย่างนีเลยคนที่ดีงามไม่ถามไม่ถามเพียงนั่นแหละแต่ที่ตัวเองมองไม่เห็นกหน่อยไปมองเห็นรู้ยังไม่ตายนี่มองเห็นจะ่มีก็เห็นก็มีรู้ก็แฉที่จะแก้ตรงนี้ก็ไม่แก้ต่าง เด็กเนื้อมันอะไรน้มาเด็กเนมันฟงสวดมนต์นี่นะผมีวันเข้าภาษาเราสวดมนต์นานหน่อยนี่มามากเลยหน่อยมากเลคุณปเข้ามากัน กหนูก็ไม่ได้ยินมพราเด็นอนมีแใครนจะมีเขียวแค่นี้มือใจขนาดนี้ยงว่านี้แล้วสอนเด็กมันตอนยันมีะสอนมันภาษาฝันมาค่าวันเขามันสาสอนเขาสอนให้ตึงสไว้ให้ถามไปต่อเขาอย่าคิดจะถอยยังไม่ตายเงินเสียหอู เป็นาหนึงนั่นแหละตายแล้วเกิดตายแล้วสิงมันช่วยเอมันไม่สู่งกอดที่ข์อยู่นั่นนี่แย้ดแก้กันหน่อยเอือกอดอารมณ์เองอยู่นั้นนี่เห็นสูนไปไหนทุกข์อยู่นั่นไม่เห็นสูนสักหน่อยถ้ามันสูงมันจะได้สบายนะคุณเลยนะสูนก็เลยไม่มีอะไรทุกใจก็เป็นทุกข์อะารก็รู้องเป็นจะดีหน่อยอันนี้มันไม่สูนที่นั่งกอดทุกข์นอนกอดทุกข์กอดอารมณ์อยู่นั่นความเศร้าหมองก็กอดอยู่นั่นความสุขกอดอยู่นั่น สวนมึนสน้เนี่ยมงเด็กหน่อยทงเด็กหน่อยของคุณสายเราเมืกันาป็นเด็กหน่อยมเด็กหน่อยบ้านนี้ใครจะต้องกี่ราบขขวัญนะเราไม่เคยขวัแบบเดนอยนี้ใเป็นขวัดนะเขาเริมานั่งทีสามเกือบชั่วโมงเขาก็จับเราก็ต้อว่านสยเด็กมันจะนั่งให้สีประตูเราก็มีใช้เเด็กมาน่ะถ้าเดี๋ยวัก็ไปาลง บีเมื่อิดไปเองจะเราจะแบ่งรับเด็กน้อยันไหนที่คิดเขามาร่วมกันที่ก็เป็นไครเขาผู้ใหญ่เวลาพูดธรรมะเขาเด็กมันรู้เรื่องมันไม่ดุมันก็ไม่รูเรื่องไม่หน้าได้หลังคิดแต่ใครช่วยเมื่อเวลาเป็นเขาจุประทัดภาษาไทยว่าประคัดภาษาอังกฤษเป็นตัวพกพอมาถึงเสดวัตที่เราสังบอกทั้งบ้านถ้าใครถึ้นสุดเราอยาให้เขาตีต่อไปเลิกเราไม่ได้มา มันจะวัดเป็นสถานที่เล่นหมดเหลอที่กราบที่ว่าแล้วต้องคชิดที่ผู้ใหญ่ได้เงียบเลยแต่น้อยก็ไม่ค่ยทำเพราะจุดอยู่บา้านเล่นแล้วก็ไปว่าเราก็เคยเล่นถ้าดูจับสถานที่ดิน้อยเขาไปยิงดีเงียบเลยแต่ที่พูดได้ฟังบัณฑ์บัณฑิตองการ ม, มีวัดนี้เท่านั้นแหละนอกนั้นพระก็ไปเล่นกับเขาดิเขาทำยังไงเราเคยเห็นแต่ก่อนพระ ไปสาดน้ํารดน้ํากันกับหญิงก า, ากับผู้หญิงเขาเราว่าเขาไม่เอาคุกโดนหัวเจ้าเหมือนเรื่องดื้อเกินไปแต่ที่นี่อยา่างบุญเลยเป็นทั้งหมดเลยทั้งหนึ่งดุทั้งหนึ่งแต่แฟนคฟรูฟ่อนหญิงเนี่ยพอคนทําประจําได้เพราะคนบุญเล ย, ยเลที่คนลดน้ำํำผาเออทําเนื่อยทําสาดน้ํากำลังพระกำลังเทอะไรกำลังถึงคุกมาโดยสาดน้ําพระ อันนี้เราพาเป็นเพื่อนหรือเล่าระว่าเจ็บนะกาบแล้วจะมาเข็ดเอาอะไรเข็ดหัวผ้าหรอหรอู้จักไหมพระหน้าอะไรฉันเลยหน้าเซกส์เลยพักเป็นพี่กราบที่ทว่าจะมาเนื้อกาบแล้วจะเอาอะไรมาเข็ดหัวผ้าหร อ, หรอเอาเป็นพาเป็นเพื่อนเลยรนะ ว, ว่าถูเกเจ็บเลยสัญญาทำนะพักต้องมีสินนะเฮยเคยเห็นว่าหคุณชอบเราเคยไปรถน้ำกันหนก็เป็นประเทศนี้อย่างนั้น พอเพลงนี้ก็ที่มันเกินไปเวลา้าไม่ดีก็ว่าเอาอีกแหละเหมือนเดิมนั่นแหละอีเนี่ยว่างเยอะเดือดไปเลยคนเรามันต้องมีกองุปืนเขาจะมีกองป่าของปาก็คือเพียงฝันถ้าไม่มีดีไม่มีถ้ามีกองปาก็เสร็จเรืองหลักคนไม่ดีก็ต้องมีกองปากมันก็ต้องมีอย่างนั้นมีเครื่องมือซ้อมถ้าทิ้งเครื่องมือกองปากก็เสร็จไปเลยถ้าป่าฝนกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้มีอะไรปล่อยตามเรื่องก็เป็นสัต ลุกตักทำไม่ได้หมดอย่างนี้ก็กำลังเริ่มเลยนะกฎมายก็ไม่สนใจแล้วกําลังเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นไฟฟ้าก็กำลังเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเหมือนกันเริ่มเปื่โทรศัพท์ไปก่อนไฟเก็บข้าวคุณเป็นสวัสดิ์ไปก่อนกไฟเก็บข้าวเสียวข้าวคุณช่วยบ้านเพื่อยเรียนเขาแต่ก่อนเขาถือธรรมดาธรรมดาเราเคยเป็นคนดีสาน เราดื้อย่างอยู่บ้านอยู่วัดใกล้ใกล้บ้านเขาตีกองเพนเราได้ยินไอไอไอนี่ไอวนล้นมันกลิ่นเก่งนะเราพี่สาวร้อนเขี้ยกเลยเอ้ยมันบากกูไม่ทนเลยดื้อเลยกูไ่าเราเห็นเนี่ยพอถึงเวลาก็ตีกองจากนั้น้ก็มาหาขิงแถวทีงาเราอ่ะบางทีก็ถือไอไอไธนูยิงกบเราเห็นี่ยเราคงแก่อนนั้นเราไม่มีใครสอนเราเราดื้อแปลก เพรว่าพี่สาวร้องเทียกเลยแล้วบอกมึงจะไปชวนพักมาเเก็บข้าวกูนะบอกมึงหววายพี่สาวเดี๋ยวมึงใหญ่มานะแต่ว่ายให้บอกพี่สาวเดี๋ก่อนมือนเป็นอย่างนี้ทีิงิงแต่คนมันทุกคนหัวแข็งนะสมัยพาเข้าไปดูหนังโอ้คนทุกคนแต่ก่อนเขาไม่ต้องแต่งขาวแต่งไปอยู่หัวแข็งมันจะมันจะดีอย่างมันจะเสียอย่าง เขาฟาเป็นพี่เคารแต่เขาว่าเจ็บเลยนะมีลายออกไปนีอละละละน่อีหัวล้นล้นเลยเขาว่าอยากให้มันเข้ามาดูหนังเขาอ่าเร า, าว่าเจ็บสิเดโออายเขาเลยเข้าจริเห็นวาอะไรมันจะใส <laughs> <laughs> แต่ใหญ่ๆบางคนมึงเล่าเลยเปว่านะโดยที่มันมม เ, เนนะจเ็บนะตาฟัง้วเจ็บเลยรู้จกัจกไหมรู้จักไหมทนว่าไอเล้เสียงเล่น่ะ หัวล้นๆเนี่ยไอ้ที่บอกสก๊อตแลนด์ก็ฟังแล้วโหแล้วบอกว่าโธ่ะธ่มันคิดหรือไม่คิดเราไม่รู้เลยนะท่านสอนให้มันเจ็บเฉยๆเพราะท่นพูดอะไรพูดให้เจ็บให้คิดให้อ่านไม่ได้พูดให้ดุนะท่านพูดเตือนหนเพราะไม่รู้จักในการทำมอนว่านยิ้มใ้ตัวเองว่าเจ็บไปเลยมือไม่ค่อยยิ้มเราอย่างนี้ท่านเอาออกมาแล้วแต่ก่อนสมัยนั้นน่ยคุณเป็นสวัสด์ เออสลายอยู่อยู่สงสัยตอนนั้นจะมาไปสองพันจมิอะไรนกเปส่วนพิโมกถ้ากัตาเฉื่อยแต่ก่อนพักเจ็ดแปดองคนันเองออกมาจาเฉือมานานเกินไปไม่เจ็บออกมาเปี้ยงเปทั่วเทวตากุ ป, กปัวคุนโหริชระดังทักเข้าวาดิเข้าตานี่สายตาที่เหมือนคว้าเลย แับมองหน้าไม่ได้เี่ยพราะลูกอุตันซะขนนี้ยังไม่กล้ามองหน้ากันมาตวงนอกจากจินแสดงฝาดถ้าใครไปเห็นเขาเป็นพระอะไรนี่หวานนี่นะทำไมถึงพูดถึงขนาดนี้มีพระองค์ตอนจาได้ถนัดเลยคือเป็นพระบัตคงพิชิอะไรไม่รู้หรอกเพราะทำเพศท่านนั้นเองกำลังคุมผ้าไม่เห็นเลยเขานี่ออกกันนี่นะมาป้ายเจอหนี้เป็นวานนี่เลย พอเรอาอ่ะเห้ยมันรู้อะไร พ, อไรพอ่อประธานที่กินผ้าอุ้งคิดว่าเอ้ยเห็นว่ามันคือข่าวแล้วรึกว่าเป็นผ้าอาหารหนึ่งนี้มันโกธหนักจริงวะคิดในใจป่านนั้นฉันวางเอาดินทีเลยถึงแม้ไปดูศิริยาคนไม่มีอะไรดูก็ดูศิลิยาดูศิลิยาที่เสะเวลาเราถากม้มันยออเปเออเออเออเออเปอเมเอ็นอนเ อ, นองงนเออเออเออเออเเออนออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออนออเเออเออเออเออเอ ออกเป็นเสาต้องมียันคอคนประเทศนั่นก็มีท่านก็ต้องเล่นและคนประเทศบาบางเขาฟังเรื่องตัวสัตว์นี้เลยกลัวผู้หญิงเอเอเฉินสีเ น, นี่ยเฉินสนี่กลัวที่สุดเป็นตัวตัวสัตว์สมัยนั้นกลัวผมไม่พอใจท่านมาเล่าอยู่ที่นี่มาเล่าอยู่ที่นี่ตอนนั้นท่านบอกว่าระวังสุนัขนะสุนัขมันคขโมยกินออาหารในครัวหรือระวังนะท่านบอกคุณหญิงก็เคยแบบสบายก็ไปปล่อย เอ้ไงวางไว้อะไรเนี่ยท่านพูดตอนนั้นไอ้คนอินเดอร์นัทจะเป็นขโมยเป็นแล้วจะมาฟ้องท่านทำอไรฟ้องก็ไม่เป็นไรท่านมาอะไรโอ้ยเรียนจบเมืองไหนก็เรียนมาถอะไรกันว่านะวิชาทินเตร์ัทก็ยังเรียนไม่จบออกมแม่น่าที่ผู้หญิงก็มาสันไปเลยยังเนี่ยกลที่ตื่นเลยที่หลังเนี่ยนักอีกกันไม่พูดดีไม่พูดด้วกันกว่าก็เราบอกกันนี่หน้าท่นว่าเดี๋ยท่านเอา เพราะสมัยนั้นโอ้โหเผ็ดร้อนผ้าเนาีนพอเป็นภาพพูดแล้วลงหนักการถากการเพื่อต้องการให้ภ้าพนี้เป็นภาพที่ดีรุ่นนัตามาพอได้เห็นรุ่นนี้หมดแล้วไม่มีมีแต่น้ำพอ้อยน้ำตาลนั่นน่ะแมอันนี้น่าดีนะอันนันดีนะเด็นมากเห็นแต่น้ำพร้อยน้ำตาลนะก่อนนั้นไม่ค่อยดีหรวงพ่อแม่วงพ่อได้ตเต็มฮอตายนี่นะอะใครบอกว่าวันนี้พระอาจารย ใหรนคมาเออเ้าหน้าที่เลยคุณมาเองว่างรถ <c oughs> กำลังม า, างต้องมาที่นี่นอะคุยแต่ น, นี้นะตามมาสามน้องดูสักที <c oughs> เด็กน้อยไปดูเมือนทีน เด็ก น, อน้อยทำมันอันนี้ก่อนถ้ากักลับก่อนก็ได้นะเราจะสวดมนต์มันนานนะแล้ว บ, บูชาแ ล, ล้วกราบไหว้ทีนี้หลวงพอ่อพูดอะไรล่ะพอทุกคนแล้วผ่านกลับก็ได้เขาจะเหนื่อยแล้วจก่อนพูดอะไรก็ฟังทำ <c oughs> สักจุดเทียนบูชาแล้วก็พอ เมื่มันเก่าพอได้ยิง น, นานไปมันหมดไปที่หมดไปไม่ได้ถูกไม่ได้ดูถูกใครนะถ้ากันคิดเอานะไม่ได้ดูถูกใครมอดปวดไปที่ปวดไปเดือดแหลมไปทุกวันทุกวันมันไม่ขึ้นก็เลยบอกแนละ้วมันไม่ขึ้นเลยมีแต่ลองลูกเดียวเพราะสิ่งเลวล้ายที่หนักขึ้นหนักขึ้ น, น, นมืดตื้อหมดเลยเวลาหนึน่เป็นแทบค่แก้ไม่ไหวเลยไม่แต่มึงใครนะึกทุบกูยิง้าเลยมึงพอหมดไปเครื่อง คือมือศึกัาอาหารน้ำใจมนุษย์เต็มร้อยเลยไปแล้วนี่ไม่ว่าในวัดไม่ว่านอกวัดหมดเลยต่างคนต่างมันเข้าสูดแล้ว